ธรรมชาดกแผ่นที่9าลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่าโปธิละใบลานเปล่าทองฟ้าแจ่มใส เหมือนฝนจะหมดแต่เมื่อวานก็มีเมฆหมอกขวันหนาแน่นแต่วันนี้รู้สึกว่าโปร่งแต่เมื่อคืนนี่ทราบว่าทางอุดอรน้องคายฝนตกหนักนะแต่ทราบว่ามือชาเนี่ยยอดเจดีที่จังหวัดน้องคายหั ก, หกแต่ไม่รู้ว่าเจดีเก่าแก่ขนาดไหนทำดีขนาดไหน ได้ยินไหมยอดเจดีหักฝนตกรู้สึกว่าฝนตกนั่นอยู่แต่เมื่อคืนที่วัดของเราก็ได้ยินเตะเสียงร้องเหือห้าเหืออะไรก็ไปฝนไม่ตกเมื่อคืนแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าอากาศเย็นๆนะเหมือนกับจะมีอากาศเหมือนกับจะหมดฝนลักษณะอย่างนั้นเมื่อเช้าเนี่ยแต่ถ้าหมดในช่วงนี้ก็จะเร็วไปสักหน่อย ทำให้ชาวนาพิตกกังวลเหมือนกันถ้าหากว่าผลจุดในในช่วงนีนะ้นี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของการออกพรรษาแล้วก็พระเก่าก็ควรจะบอกพระใหม่นะให้ช่วยๆกันเรียนคำวารณาออกพรรษาปวาวรณาออกพรรษา มันต้องได้ท่องต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับผู้หัวไม่ดีความจำไม่ดีแต่ถ้าความจำดีก็ไม่มีปัญหาต้องวันเพียงวันสองสามวันก็ได้แล้วแล้วก็กระถิน่นผู้ที่จะฝึกซ้อมกระถินก็บอกบอ ก, บอกกล่าวกันไว้ใครจะเป็นองค์สวดใครจะเป็นองค์อุปโลกก็ให้เตรียมพร้อม อย่าให้หลวงพ่อได้บอกหลวงพ่อนะแก่ไปข้างหน้าเป็นหน้าที่ของพระภายในวัดช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนที่ได้ปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่ว่าปีไหนกับปีเก่าหลวงพ่อต้องบอกซะก่อนแ้นนค่อยทำถ้าหลวงพ่อไม่บอกก็ทำไม่เป็นอันนั้นแปลว่าเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตฮะคนโบราณเขาบอกกัน เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเป็นเบบี้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยพ่อแม่ได้บอกซะก่อนยังค่อยทำการทำงานอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นลูกต้องรับผิดชอบลูกคนมาก่อนคือลูกคนหัวปีผู้ที่มาตามหลังเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นลูกคุณจุดท้องจะได้เฉลียวฉลาดเหมือนกับลูก คนหัวปีก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าลูกคนหัวปีไม่เอาทานทะเลทลายเงื้อเงื้อกระกระงุ่มงุ่มแงมแงมเออมันก็สุกลูกที่คนมาจุดท้องไม่ได้เหมือนกันนะเออเพระเหตุอะไรเพราะมันไม่เอาทานเพราะมันเช่อเออเพอเพอรยังเป็นปั่มปั่ปุเปอรอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้มันต้องพวกท่านทั้งหลาย ต้องได้คิดอันนี้เป็นคำพูดขององค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวบอกว่าผู้ที่เขามาอยู่ก่อนเหมือนลูกคนหัวปีแต่ผู้ที่ตามหลังเขามาในเรื่อย ก, ก็เป็นเรียงลำดับกันลงไปผู้ที่เขามาก่อนก็ต้องรู้เรียนรู้เรียงเรียงสาภาวะ ควรปฏิบัติอย่างไรเพราะครูบาอาจารย์เจ้าของวัดหรือพ่อเหมือนกับพ่อของอเป็นอาจารย์เหมือนกับพ่อในครอบครัวลูกทั้งหลายก็ต้องมาเข้ามาก็เรียนเพื่อการศึกษาถ้าศึกษาแล้วก็ต้องรู้จักใจจูอย่าง ไ, ไางไปยังไงทำอย่างไงภายในครอบครัวภายในวัด ไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักโตเป็นเบบี้เป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาขี้แงอยู่ตลอดเวลาเล่นเล่เห ล, ลี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันไหนควรจัดอันไหนควรทําอันไหนควรปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ที่เข้ามาอยู่เข้ามาศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็จะได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกัน ตลอดอนันตการบางทีก็ได้จำจากกันออกไปเป็นเจ้าวาดไปเป็นหัวหน้าเราก็จะได้ปฏิบัติวางแผนถูกอย่างโรงพ่อก็เหมือนกันในตะกรก็อยู่กับองค์หลวงตาอยู่หลวงปูล่ลาบเป็นสมณเณรล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ อยู่กับหลวงตาเป็นเวลา14ปีต่อเนื่องกันแล้วออกจากนั้นก็นมาอยู่ที่นี่ปิชชาความรู้ที่เราได้เรียนมีประสบการณ์มาอย่างไรจากครูบาอาจารย์มากมายมหาศาลกินไม่หมดถ้าว่าเรานำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเวลาครูบาอาจารย์บอกไงฟังฟัง ิดถูกฟังท่านมีชั่นเชิงเล่เหลี่ยมยังไงฟังเราจะไปซื้อบื้ว่าท่านพูดผิดทีเดียวไม่ได้เพราะว่าท่านพูดอย่างเชิงดูว่าเป็นยังไงพูดจากนี้เข้าไปเป็นยังไงทิฏฐิมานะมันจะออกมาไม้ไหนสิ่งเหล่านี้มันอาจารย์เขาว่าอาจารย์คำนี่นหะมองรอบด้าน ขนาดโป๊ะที่ลัดไปเรียนกับเนนน้อยอาจารย์พระเถระเออเอาไล่ลงไปบอกเออผมเไม่มีความสามารถในองค์นั้นองค์รองนะท่านมีความสามารถกว่าโอ้แล้วก็ครับท่านอาจารย์สอนผมโอ้ผมไม่เก่งเท่าองค์ที่สามใองค์ที่สามเก่งกว่าผมไ ป, ไปเรียนกับองคนั้นไปก็ไปหาองค์นั้นทั้งที่ท่านเป็นพระมหาเถระ จบพระไตรปิฎกโปทิลัตพ ร, ระพุทธไปกราพระพุทธเจ้าที่ไรกับโปธิรัตท่านใบาลานเปล่าคือไม่มีคุณไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกธาคาอนาคาอรหรันยังไม่เป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆท่านกมา็มาศึกษากับพระที่อยู่ในป่า30รูปพระ30รูปอยู่ในป่านั้นตั้งแต่หัวหน้าจนถึงสัมมาเนนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นผู้มี แตกฉานในวิชาปฏิสัมพิทายา น, ด, ยา น, นด้วยกันทั้งหมดทั้งสามสิบองค์ตั้งแต่อาจารย์จนถึงเนนน้อยอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นก็นบอกลงไปบอกลงไปจนถึงเนนน้อยเนนน้อยไม่รู้จะเทิ้งไปที่ไหนพอมาถึงสุดท้ายแล้วเนนน้อยก็บอกว่าอาจารย์จะฟังผมหรือเปล่าถ้าผมสอนพระผมบอกฟังผมมาเพื่อการศึกษาแท้ๆถ้าหากว่า นั่นก็เอาถ้าว่าจะฟังผมป่ะเดินตามหลังผมเน่ น, น้อยพอเดินเข้าไปไปขึงเครึ่องทางไปอาจารย์เดินเข้าป่า เ, เนี่ยแต่ถ้าว่ามีติฏฐินะเอาเนนจะให้เราเดินเข้าป่าทําไมมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรจึงให้เดินเข้าป่าไปอาจารย์เดินเข้าป่าอาจารย์เดินก็เดินเข้าป่าเลยเอ๊ โดยไม่ต้องฟังประเหตุผลอะไรเดินเข้าป่าเดินสวดสวบเออไม่ต้องอาจารย์ออกมาอาจารย์ก็เดินออกมาพอไปเห็นสระน้ําตีมทางในทางเดินไป อ, อาจารย์ลงน้ําอ่าไม่ต้องผ้าสังขารติจีวณไม่ต้องเอาออกคุมไปงั้นพอจะลงไปผ้าจะเปียกอาจารยอาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาพอพอพ อ, อาจารย์ก็ขึ้นมา เนนน้อยก็บอก อ, อาจารย์เราจะสอนคงฟังหมดทุกอย่างขนาดเราบอกให้เข้าป่าก็เข้าบอกให้ลงน้ําก็ลงทั้งที่ท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่แต่เนนน้อยเนนน้อยเป็นคนจะสอนเสร็จแล้วพอเสร็จปะอาจารย์ตามหลังผมมาอาจารย์ก็ตามหลังเนนน้อยไป ไปที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสมเปียวที่สงบคงจะเป็นถอนไม้ขอนไม้หรือเป็นโขดหิน อ, อะไรก็ไม่รู้ะที่ว่าเป็นที่สงบนั่งอยู่ตามลำพังอาจารย์แน้นน้อยก็ถามว่าอาจารย์ฟังนะให้สังเกตที่ผมจะพูดให้อาจารย์ฟังเนะี่ยให้อาจารย์ฟังให้อาจารย์สังเกตเผมจะเล่าผมจะพูดให้ฟังผมจะอุปมาอุปไมให้ฟัง สมมติว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งแต่มีลูอยู่หกรูในจอมปลวกนั้นแต่มีตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองนั่นน่ะอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนะแต่ว่าเจาเหี้ยตัวนี้น่ะตัวเงินตัวทองตัวนี้น่ะมันจะโผล่ออกมาหากิน ในรูของมันน่ตามที่รูมันมีอยู่หกรูนั่น เ, เดี๋ยวก็ออกไปรูนั้นหากินออกออ ก, ออกรูนี่หากินเฮี้ยตัวเนี้ยมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในจอมปลวกนี่แหละแต่ถ้าอาจารย์อยากจะจับเฮี้ยตัวนี้น่ะจับตัวเงินตัวทองน่ะอาจารย์ต้องปิดรูซะก่อนอปิดทุกรูซะก่อนแล้วก็ขุด รูไดรูหนึ่งคือรูดักอาจารย์จะจับเพียรได้เข้าใจไหมที่ผมพูดให้ฟังพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจสมรเณ์เข้าใ จ, าใ จ, าใจไหม อ, อ๋อทางนั้นก็ออกไปปฏิบัติอไปปฏิบัติครับจากนั้นก็แยกย้ายกันจากนั้นเป็นนั่งสมาธิอยู่ตามลําพังอยู่ในที่สงบสงัด นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงและมีสติสัมปชัญญะกําหนดลมหายใจเข้าออกดูิดูใจให้คล้ายๆกับสมณีนอบอกว่าจอมปลวกนั้น่ะมันมีอยู่ห้าหรูนะ่ตาเออเป็นทางเหี้ยออกหากินอา่ามันเป็นเป็นหน้าต่างของเหี้ยออกหากินคือรูหนึ่ง หูคือทางเหี้ยออกหากินจมูกทางเหี้ยออกหากินเลนเาปากเป็นทางเหี้ยออกหากินสัมผัสเป็นทางเหี้ยออกหากินและกระใจตัวนึกคิดเนี่ยคื อ, ด, อดูดับดูดับของมันเล้นั่นแหละอารมณ์ทางใจเนี่ยมันไปเห็นรูปพอใจไม่พอใจ ดีใจถ้าหางวาดรองลำทำเพลงเป็นที่พอใจเมื่อตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆก็ดีใจกิเลสลาค้าออกไปแล้วถ้ามองไปเห็นขี่ไล่กิเลยังกำหมัดกามวยท้าตีท้าต่อยอีกต่างหากตาไปเห็นโมโหขึ้นมา อันนั้นแปว่าเฮียออกไปหากินเออมันส่งเข้ามาทางตาโมโหอะไรมาไม่พอใจเกิดอารมณ์โกรธนะนี่แหละเมื่อตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์รักเกิดอารมณ์โกรธถ้าเห็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรเป็นอัปยากตาเป็น ก, ากลางๆลก็ไม่เกิดอารมณ์อะไรพอเห็นผ่านไปก็ผ่านไปแต่สิง่งเห็นที่สิ่งที่พอใจสิ่งสิ่งที่ไม่พอใจมันอารมณ์มันบ่งบอก จากนั้นก็โตหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงไม่พอใจเสียงพอใจจมูกก็เหมือนกันกลิ่นเหม็นไม่พอใจกลิ่นหอมพอใจลิ้นรสพอใจรสไม่พอใจสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวพอใจไม่พอใจใจความนึกคิดที่อารมณ์มากระทบพอใจไม่พอใจนี่แหละ อันนี้คือตัวเฮือคือใจของเราอยู่ข้างในเนี่ยตัวที่รับรู้เรื่องต่างๆนั้นตัวนั้นะเป็นตัวการสําคัญให้จัดการให้จับตัวนั้นให้ได้สมณีนบอกในความหมายพระเทระท่านก็ดูเลยดูตัวเฮือคือใจของเราเนี่ยมันโผล่ออกทางตาโผล่ออกทางหูโผล่ออกทางจมูกโผล่ออกทางลิ้นโผล่ออกทางกาย คือรับความรับสัมผัสอแล้วก็ใจมันอยู่ข้างในมันพร้อมที่จะโผล่ออกได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นต้องปิดมันไว้อย่าให้มันเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ดูใจอย่างเดียวอให้เข้ารููดักเลยเพื่อจะจับตัวเฮียให้ได้นั่นแหละพอเข้ารููดักท่านนั่นแหนะพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่ปัตตาเชตตะวันพักอยู่ในระคันทกุูดี ท่านมองเห็นว่าเออโปริรัตน์กำลังออตะลุมบอลขนานหนักพระพุทธองค์ก็ส่งออํานาจจิตส่งกระแสจิตมาสอนทางกระแสจิตเออโปริรัตน์ดูให้ดเออีเอาชนะให้ได้พระองค์ก็เทศแนวอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักโปรธิรัตน์ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นแหละพอได้สําเร็จแล้วก็ ลาพระเถระเลยเกิดเสด็จหอกกลับไปวัดป่าเชตวันเลยถิ่นเป็นผู้แตกฉานในอัศวในธรรมเป็นกําลังของพระพุทธศาสนาเป็นกําลังองค์หนึ่งที่ประกาศพระศาสนาแต่ก่อนมีแต่ปริยัติแต่บัดนี้ท่านได้ปฏิบัติได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วบริบูรณ์กลับไปคราวนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าโพธิลัต์เหมือนแต่ก่อนเป็นว่าเป็นผู้ แตกฉานในอัดใน ร, รมเป็นผู้ได้สาเร็จนี่แหละสรุปแล้วก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครถ้าเป็นผู้ยอมรับเหตุผลผู้น้อยผู้ใหญ่พูดก็ให้ฟังกันให้ศึกษาเพื่อการศึกษามาเพื่อการศึกษามาอยู่ที่วัดกองหลวงพ่อกอย่างที่ว่ามาเพื่อการศึกษา แต่ละปีหน้านี้ท่านทำอะไรเดือนนี้ท่านทำอะไรแต่ละปีปปีที่ผ่านมาที่เรามาอยู่แล้วปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่มาอยู่กับพระใหม่พระเก่าสิ่งเหล่านี้มันต้องทบทวนดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้ามาเข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่าเขามาแล้วเกิดคว้างอยู่ไปอย่างนั้นะเป็นวันๆไปถ้าอยู่อย่างนั้นก็ไม่แพ้ กับพวกลิงข้างบางชนีพวกมาอยู่ในวัดของหลวงพ่อนะมาอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นพวกเต่าปูปลาหอยอยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยเต็มไปหมด เ, เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกพระที่เขามาศึกษ า, าควรท่างอกตั้งใจไยในการศึกษาใยในการเรียนรู้จากนั้นก็นำมาประพุทธปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นแนวแถวของตนเอง ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้วางแผนในการนำเนินชีวิตตัวการปฏิบัติของตนเองต่อไปภายภาคหน้าเสียงเหล่านี้ไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้มาถึงในระดับนี้เพราะนั้นมาถึงระดับนี้เราจะทำอย่างไงลองต้องพยายาม ทำให้ดีที่สุดปกป้องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าเหมือนน้ำที่ใสสะอาดพร้อมที่จะพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยน้ำมนุษย์ทั้งหลายต้องอาศัยน้ำแต่ว่ามีคนเก เ, เ, เรหรือว่าสัตว์เกเรใครก็ตามลงมาทำร้ายทำลายบ่อน้ำที่ใสสะอาดเราผู้ที่รู้คุณค่า ของการดูแลรักษาน้ำเราก็ต้องปกป้องเอออย่าทำน้ำ เ, ออเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าคุณไม่ต้องการเธอไม่ต้องการก็จะามายุ่งไปหาที่อื่นออไปกินที่อื่นได้เพราะอิ่มแล้วนะจะมายุ่งทำไมอันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเหมือนน้าที่ใสสะอาดผู้ที่เห็นคุณค่าเขามาศึกษา ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลปฏิบัติก็มีประโยชน์แต่บางคนเข้ามาก็ทำร้ายทำลายดูถูกเยียดยามเพราะไม่เลื่อมใสเพราะไม่เชื่อเพราะไม่ศรัทธาไม่ไม่มีความเชื่ออยู่ในใจมันเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่าเรามีศรัทธาคือความเชื่อไว้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้ เราก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นแล้วรู้แล้วว่าทำคําสอนของพระพระทุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงจากนั้นเราก็ได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนปกป้องเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปแต่ถ้าว่าผู้ใดได้อยู่ได้กินแล้วเฉยไม่ได้สนใจไม่ได้ปกป้องผลที่สุดผู้ที่มากิกนแล้วกันะ ทั้งขี่ทั้งเยี่ยวใสอีกต่างหากแล้วจะเป็นยังไงแล้วอนุชนรุ่นหลังที่มาเขามาะจะเป็นยังไงอันนั้นแปลว่าทำร้ายทำลายธรรมชาติทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาทำร้ายทำลายหลักการโดยไม่เจตนาแต่ว่าเสียหายนะถึงจะเจตนาแล้วไม่เจตนาก็เสียหายเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่า ในรับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะปกป้องเชิดชูบูชาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขแต่โลกคุกวันนี้อย่างที่เรามองมองเห็นในประเทศไทยของเราเรื่องเรื่องอะไรต่อมีอะไรยุ่งเยิงวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจักสิน้นไม่รู้ว่าเรื่อง ไปชุมกันเรื่องอะไรเรื่องปองรองเรื่องอะไรในยุคิ่สมัยนี้ฟังฟังดูแล้วต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันผมหงอกผมขาวฟันหลุดอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีก็น่าจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมเป็นวินยัยอันไหนเป็นกฎหมาย อันไหนจะทำให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขอันไหนสูงอันไหนต่ำคนเช่นไรเป็นบุคคลที่ควรเคารพเชิดชูบูชาคนเช่นไรเป็นคนที่ควรจะนามาเป็นทรัพยากรมาช่วยกันพิจารณาบ้านเมืองชนยังไงคือคนที่ควรประนามจับไปขังคุกเอาไว้อย่าให้โผล่ออกม า, อาโทษคนยังไง สิ่งเหล่านี้มันน่าจะรู้หลวงพ่อว่านะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดแล้วปริญญาตรีโทเอกเอกไม่รู้ว่ากี่คนตัวกี่คนแต่ทําไมถ้าหากว่าพวกเราเอาตะกี้เลสราคะโทสะโอหะโลภโกรดหลงเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันจะมองไม่เห็นมันตาฟ้าตาฟัางมืดมัวไปหมดเห็นแต่พักเห็นแต่พวกเห็นแต่กลุ่มของตนเองเห็นแต่ตัวเองเป็นใหญ่ มันได้เห็นแก่ใครนั่นแหะมันยุ่งเฉยิงวุ่นวายเพราะเหตุว่ากิเลสนี่นะอกิเลสตัวนี้ละ่ะกิเลสโลภโกรดหลงนะั่นมันไม่หนีจากตุวจุดนีนะ้ถ้าหากว่ามีธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วจะมองเห็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนี้ก็เหมือนกันในวัดวาศาสนาก็เหมือนกันหลวงพ่อว่านะถ้าเข้ามาแล้วเพื่อการศึกษาเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อหลักธรรมวินัยแล้วอยู่ด้วยกันแสงจะร่มเย็นเป็นสุข พวกเราทุกคนมองกันในแง่เหตุแง่ผลมองกันในแง่ถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้มองกันในแง่มองกันในแง่ร้ายไม่ได้มองกันด้วยทิฏฐิมานะทิฏฐิใช่คือความเห็นแต่ไม่ควรจะใช้มานะคือความแข็งกระด้างแต่ก็แข็งกระด้างก็ใช่ใน แ, แข็งกระด้างในทางที่ถูกต้องข้าพรเจ้าจะมีความสัต์จริง จะรักษาศีลห้าจะรักษาศีลนุโบสดจะนั่งภาวนาวันละกี่ชั่วโมงอันนั้นก็คือให้แข็งแข็งกระด้างเอาไว้แข็งเยาหวันไหวอันนั้นถูกต้องแต่เพื่อแข็งดาคน น, าค น, าาคนั่นบดาคนนี้ปามาดคนนั่นคนนี้ดูถูกเกียดติยมคนนี้มองเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาวิจารณ์เรื่องทิฏฐิอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่ว่าแข็งก็ให้แข็งกับศีลกับธรรมแข็งกับความถูกต้องแข็งในหลักธรรมพิในใครมาทําผิดทำพินัยไม่ได้นะอมาเยียบย่ำทำลายทำไม่ได้คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแข็งอันนี้ถูกต้องออถ้าว่าอ่อนปลูกเปียกใครจะทําอะไรก็ทําอันนั้นไปว่าอ่อนก็อ่อนไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแข็งก็ให้ให้มีให้มีหลักเหตุผล อ่อนก็ให้มีหลักเหตุผลสรุปแล้วก็คือให้เป็นธรรมจิตใจให้เป็นธรรมถ้าจิตใจไม่เป็นธรรมจิตใจมีตะกี้เละมีตะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะคะัเนี่ยเป็นแนวความคิดของพุทธศาสนาในการแนะนำสั่งสอนขนาดนี้น้อยอย่างสอนพระทิพมหาเทระได้พระทิมหาเทระก็ต้องยอมรับเหตุผล บางสิ่งบางอย่างเนนน้อยก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าอาจารย์เข้าป่านะอาจารย์ลงน้ํำนะออแต่ในอาจารย์แต่ในใจของเนนน้อยรู้ว่าจะสอนอาจารย์อย่างไรเพราะว่าเมื่อบอกแล้วอาจารย์โอ้ยไม่ไปหรอกไม่เข้าไปเข้าไปทำไมไม่มีเหตุมีผลหนามอีกต่างหากไม่มีรองเท้าอีกต่างหากเนนเไปอย่างนี้ไม่ไปหรอกไม่เรียนไม่ศึกษา พูดแลวไม่มีเหตุมีผลอย่างนี้เนนน้อยก็จะโอ้ถ้าเราพูดธรรมะเข้าไปคงเนีไม่เชื่อเราจะไปพูดทำไม พ, พูดให้คนไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดประโยชน์เนนน้อยก็บอกพระอาจารย์ไปกลับไปซะแปลว่าสอนไม่ได้ยังกร่ตงลักษณะอย่างพระพระอรหันเนนน้อยถึงจะเป็นเนนน้อยกว่าจริงแต่เป็นพระอรหันทานเฉลียวฉลาดมาก เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วกิเลสไม่มีในใจของท่านแล้วถึงจะเป็นในน้อยก็คือพระมหาเทรนะนี่หลักธรรมท่านพูดอย่างนั้นถ้าถึงจะเป็นในน้อยก็คือพระมหาเทรนะแต่ถ้าจะเป็นผมงอกผมขาวขนาดไหนก็เถอยังเป็นอนุเทระอยู่ยังไม่ใช่พระเทระยังเป็นพระอนุเทรนะเพราะยังมีกิเลสอยู่นี่แหละ ผู้ที่ท่านได้สำเร็จนนะท่านจึงยกให้ว่าเป็นพระมหาเถระนะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์สติบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ความบริสุทธิ์หลุดพ้นบริบูรณ์ะอย่ารับพรอ น, นโมทนาให้พร